แล้วลาทีลาทีใช้ลาจากจำต้องรากจากไปไกลแล้วนะจำต้องรากจากไปไกลาลาตาไม่ว่าเมื่อไรแล้ว ฝากทำให้เตือนจิตแกลูกสิศที่รักเป็นนักหนาวันจบคายอบรมได้เวียนมาต้องอำลาจากกันใน คำคำพร่ำสอนครันมือตอนเข้าค่ายไม่เพียง น, นี้มีคุณครูพระอาจารย์ที่ใจดีมาบอกชี้แนวทางทาสว่างใจกลับไปบ้าน ไปทำหน้าที่ของความเป็นลูกที่ดีของคุณพ่อคุณแม่เป็นศิษย์ที่ดีของครูอาจารย์เป็นเพื่อนที่ดีของเพื่อนเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติและเป็นศาสนาข้ายาที่ดีของพระพุทธศาสนาแต่ก่อนจากฝากทำให้ ต้องอำลาจากกันในวันนี้เ อ, อให้ลูกติดนำทาคำพร่าสอนครันมือตอน ทางทำสว่างใจ